กันตั้งสติสำรวมใจของตนให้ดีใจนี้เมื่ออบรมแล้วจะมีความสุขมากใจที่ไม่ได้ฝึกขนอบรมมันมัวหมองด้วยกิเลสมันจึงหาความสุขไม่ได้ทุกคนนั้นต้องการความสุขต้องการความเป็นอิสระ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 ความทุกข์มาถึงเข้าแล้ววันนี้มันก็แก้ไม่ได้มันกดระทมทุกข์ไปอย่างนั้นแหละเงินทองเข้าค้องก็ไม่มีไปซื้อตั้งด็กของเสพสิ์ให้โทษนั้นกินเนี่ยนจะิตใจที่มันปล่อยให้มันไปตามอำนาจของกิเลสแล้วมันมีแต่ระทมทุกข์ เท่านั้นเองนะต้องพิจารณาให้มันเห็นเอาภาพไม่ปล่อยให้มันเสพของเสพติดดังกล่าวมานั้นก็ปล่อยให้มันไปชื่นชมยินดีในรูปเสียงกลิน่นรสเครื่องสำอางยนถอนตัวไม่ขึ้นอย่างนี้แล้ว มันก็เลยกลายเป็นนักเรงเจ้าชู้ไปอจิตใจไม่ตั้งมั่นเลยรักนี่แล้วก็ยังไปไปมามาผัดเบือเอ่อเอผัดไปรักนู้นอีก อ, อรักไปรักมาผิดเบือ่อเดี๋ยวก็ไปรักที่นน้นอีกอ อ, อยู่อย่างนี้แหละบุคคลผู้ใจลอยปล่อยจิตให้ตกเป็นท่าแทงตันหา เลยกลายเป็นคนเจ้าทูไม่มีหลักแหล่งหากินแบบเลื่อนลอยเอเมื่อไม่มีเงินจะใช้แล้วก็ไปรวมหัวกันเป็นโจรมาดินะไปจี้ไปปล้นเอาพราะคนปล่อยจิตใจทุงชนให้ตกเป็นพาดอย่างตันหานี่มันมีมากเหลือเกินในโลกอันนี้นะ่ะเหตุนั้นพวกนี้เขาจึงรวมหัวกันได้ ส่องสุมโจรขึ้นมานั่นเนี่ยเจ้าหน้าที่จับได้ก็พองล้องติดคุกติดตารางไปเพราะฉะนั้นคนอยู่ในตารางนะ่ะมันจึงหลายเหลือรุนเขาจึงว่าเาฉลิมระชนบรรษาปีหนึ่งหนึ่งอ้าวก็ปล่อยนะักโทษออกไฟไม่ปล่อยไม่ไหวไม่มีที่จะอยู่มันหลายเหลือกเกิน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 ถึงมีภาระหนักมันก็ยังไม่หนักเหมือนบุคคลหลายใจหลายรักอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าทางที่ดีแล้วผู้ที่บวชเข้ามาแล้วเนี่ยทิจารณายเห็นโทษแทงตันหาเหล่านี้แล้วไม่ออกไปหามันได้ละน่ะดีมากทีเดียวมันจะได้พ้นจาก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 เสวงหาทรัพสมบัติเงินทองอะไรกำพ้นทนแดดไ ม, ม่มีก็ได้อยู่สบายสบายแต่ว่ามันก็ลำบากไปอีกทางหนึ่งลำบากด้วยการทำความเพียรกำจัดกิเลสตัณหาออกกิจใจออกจากกิจใจนี่แต่ถ้าว่าใคร บวกเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ไม่ได้ทำการงานอะไรแล้วก็เกิดความเกียจคล้านขึ้นมาสิมีแต่หลับมีแต่นอนมีแต่กินอย่างเดียวมีแต่หาคุยกันเล่นปล่อยให้วันเวลามันล่วงไปเสียเพราะเป่าอย่างนี้ยิ่งซ้ำลายกว่าชาวบ้านซ้ำเลยชีวิตของนักบวชผู้นั้นนะ ไม่มีที่จะเจริญรุ่งเรืองไปได้แล้วหน่อยหนึ่งมันก็อยู่ไม่ได้แหละถ้าประมาทเช่นนั้นนะน่ในพึ่งเข้าใจอันเป็นครือหัดนนะ่มันมีทางระบายเหตุนั้นเขาถึงอยู่กันได้แม้มันจะทุกข์ยากลำบากอย่างไรมันก็อยู่เพราะว่าไอกรรมตันหานี่ ผู้คนใดเป็นผู้ยึดมั่นในการมาตัญหามันก็อยู่ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั่นแหละแม้จะทำการงานกัาการลำบากอย่างไรเมื่อมันนึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่ตนชอบอกชอบใจมานะกัมีกำลังใจทำการทำงานไปมันเอารูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นเป็นที่พึ่ง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 สังขาร น, นามรูปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็กำหนดรู้อยูอ่กับความจริงเหล่านี้เนี่ยเรียว่าเราอยู่ด้วยความจริงถึงจะเป็นคาเทืงหัดก็ก็เหมือนกันถ้าหากว่าไม่หมุกมุนในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสเกินไปอย่างนี้ก็พอมีหนทางที่จะอยู่ด้วย ไตรลักษณ์นานเหล่านี้ได้อยู่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีช่องเสียเลยบุคคลผู้ที่เชื่อในคำสอนของพุทธเจ้าว่าตัณหานี่แหละมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นานาประการเช่นนี้แล้วก็พยายามตัดทอนตัณหาให้น้อยเบาวางออกไป เมื่อเมื่อัญหามันเบาบางไปให้ใจมันก็ค่อยมีช่องทางที่จะสงบระงรับได้อย่างนั้นความอยากก็เหมือนพอประมาณไม่ล่วงศินล่วงธรรมไอ้ความอยากอยู่ในกรอบแห่งสินแห่งธรรมอย่างนี้ก็ยังชั่วหน่อยไม่ทุกข์หลายเรียกว่าทุกข์มันผ่อนลงถ้าผู้ใดไม่ตั้งอยู่ในสินในธรรม รู้อำนาจแก่ตัญหาไฟเดียวเช่นนี้ย่อมมีทุกข์อยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะควรพากันพิจารณาให้ดีไอ้พระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเสมือนอย่างว่ากล้องสองทางเดินของชีวิตเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเมื่อเราดำเนินเดินตาม ทางแห่งคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้เราก็เดินทางไปก็ไม่ผิดไม่พลาดเหมือนอย่างบุคคลผู้มีกล้องท่องทางไกลเมื่อมองเห็นทางนั้นมันลกชัดก็ไม่ไปเมื่อมองเห็นว่าทางนี้เป็นทางเตียนทางลงู่ไม่มีสัตว์ร้ายอะไรอย่างนี้ก็เดินไป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 อันนี้แหละชั้นใดก็อย่างนั้นบุคคลผู้มาเจริญศีลสมาธิปัญญานี้ให้เกิดให้มีขึ้นในใจของตนแล้วก็เหมือนอย่างบุคคลผู้มีไฟฉายอยู่ในมือแล้วเดินทางกลางคืนเดือนมืดมองสองไปเห็นผลทางไม่ได้ชัดเจนก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละ เรามีสินสมาธิปัญญาอยู่ในใจแล้วใจก็สว่างสวัยมองเห็นบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ได้ทุกแง่ทุกมุ ม, มถ้าเป็นครือหัดอย่างนี้ก็มองเห็นบาปบุญคุณโทษได้เป็นอย่างดีก็รู้จักประมาณในการ ทำมาหาเรื่องชีพแต่โดยทางที่ถูกที่ชอบไม่รู้อำนาจแกตันหาฝ่ายตำอย่างนี้นะเพราะว่าปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันมองเห็นทางหลีกเลี่ยงจากบาปจากโทษต่างๆได้ถ้าบุคคลไม่บำเพ็ญสินสมาธิปัญญานี้ให้เกิดขึ้นแล้ว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 เอาแต่รถแทงความสนุกมันเท่านั้นแหละในเรื่องที่จะเป็นบาปเป็นกรรมไม่รับรู้ไม่เกี่ยวข้องนี่และความชั่วอย่างอื่นก็เหมือนกันเช่นอย่างพ้ไปเล่นชู้กับเมียคนอื่นหรือผัวคนอื่นโมนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสนุกสานานอ่เรียกว่าขอให้ได้สุขในปัจจุบันนี้พอแล้ว ตายไปแล้วมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันมันจะไปตกนรกหมกไหม้ก็แล้วแต่เรื่องมันเพราะมันไม่รู้อะไรหรอกตายไปแล้วนะคนมักจะมีความเห็นอย่างนี้เป็นส่วนมากนะเหตุนั้นจึงทาบาปได้อย่างไม่สะดุ้งหวาดกลัวเลยทำไมจึงว่าตายแล้วมันไม่รู้อะไรถ้าเช่นนั้นก็ผู้รั้ก็เห็นว่าตายแล้วศูนแหละตายแล้วไม่ต้องเกิดอีกต่อไป มันขาดกับกฎ ธ, ธรรมดาเรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้มีพระญาณย่างรู้อย่างเห็นโดยแจมแจ้งแล้วพระองค์จึงได้นำมาแสดงให้พุทธรบริษัททั้งหลายฟังว่าผู้ใดทำกรรมอันใดย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นทีท่ทรงแสดงอย่างนี้นะก็ะแสดงว่า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 กิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีกรรมชั่วนี่ก่อนนำไปกรรมดีก็นำไปสู่สวรรค์กรรมชั่วก็นำไปสู่นรกนี่นผู้ที่เป็นชาวพุทธจริงๆแล้วนะไม่ควรปฏิเสธคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรที่จะไปถือเอาความเห็นผิดๆของตนเองฝ่ายเดียว เพราะว่าความเห็นของตอนนั่นมันมันไม่แน่นอนจริงๆเพราะมันมีโมหะอาวิชชาแทรกอยู่มันอาจเห็นผิดไปก็ได้นี่เห็นผิดตรงๆนี่แหละผู้ใดเห็นว่าตายแล้วศูนยะ์น่ะบาปบุญบุญบาปทิ่ธรรมลงไปแล้วมันไม่ให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อย่างนี้นะเรียกว่าเห็นผิดจากคานองครองธรรมคาสอนของพระเจ้า แน่นอนทีเดียวอ่ะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายพึงตื่นตัวพึงเคารพต่อพระธรรมคําสอนของพระเจ้าถ้าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็จะมีแต่ชื่อเท่านั้นแหละจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากพระพุทธศาสนานี่เลยให้พึงเข้าใจพระพุทธศาสนานี่ เกิดจากบุคคท่านผู้รู้พิวิเศษในโลกได้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้สร้างพระบารมีมาตั้างสี่อสงไขยปลายแสนมากับกลัวว่าจะมารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานอย่างนี้นี่ถ้าหากว่าบุญไม่เต็ม เปลียนบริบูรณ์จริงๆน่ไม่มีทางจะรู้แจ้งบาปบุญคุณโทษโลกนี้โลกหน้าพระสวรรค์ที่พานอย่างนี้ไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยแล้วก็ไม่สามารถจะบรรลุถึงได้นั่นแหละ บ, บคุคคลผู้ที่ปล่อยให้อวิชชาตัณหาโมหะครอบงำจิตใจยอมเป็นใจมืดใจบอด มืดแปดด้านเลยมองไม่เห็นนะพระพุทธเจ้าว่าโลกหน้ามีก็ไม่เห็นเหมือนอย่างคนตาบอดนั่นแหละมีใครเขาบอกว่าข้างหน้านี่นะมีงูพิษนะอยู่นั่นนาอย่างนี้นะมันก็ไม่เห็นนะแล้วมันไม่เชื่อคนผู้บอกอยงนี้เดินไปไปเหยียบเอามันก็กัดเอาเท่านั้นเองเนยะเมื่องูมันกัด เจ็บปวดทุกขเวทนาจึงได้รู้ว่างูมีอยู่ตรงนั้นอย่างนี้มันสายเสร็จแล้วมันแก้ไม่ได้เป็นองั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนี้ น, ะนั่นแหละบุคคลผู้มีความเห็นผิดจังว่านั้นแล้วก็ทำชั่วไปทีนี้พอตายลงกรรมชั่วมันนำไปสู่นรกได้รับความทุกข์ทนทรมานอยู่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 ก็มีทางเดียวนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปทำใจสงบระ ง, งับลงนั้นแหละเมื่อใจสงบระ ง, งับลงไปแล้วมันจะเกิดปัญญาขึ้นรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมีแท่ประโยชน์ได้และเห็นแจ้งในใจว่าโลกนี้มีโลกหน้าต้องมี เหมือนอย่างชาตินี้มีชาติหลังนุ่นก็ต้องมีถ้าหากว่าชาติหลังไม่มีชาตินี้ก็ไม่มีเมื่อชาตินี้ไม่มีชาติหน้าก็ไม่มีนี่บุคคลผู้อิปัญญามันย่อมมองเห็นเดชผลอย่างนี้อดีตมีปัจจุบันก็มีอย่างนี้แหละปัจจุบันมีอนาคตก็ต้องมีนี่คิดดูสิวันนี้มีพรุ่งนี้ก็มีนี่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 ถึงเอาไปปลูกได้มันก็ไม่ขึ้นเพราะว่ายางในพืชของมันน่มันแห้งไปหมดแล้วมันไม่มีอุปมาเหมือนอย่างท่านผู้ละราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปแล้วอย่างนี้อไม่มีเหมือนกับมเมล็ดผลไม้ที่มันรีบนั่นแหละไอ้ผู้ที่มีราคะโทสะโมหะอยู่นี่ อุปมาเหมือนอย่างมเมล็ดผลไม้ที่มันมียางอยู่ในพืชนั่นอย่างนี้ดังนั้นแหละผู้มีกิเลสอยู่ในหัวใจกิเลสนั่นแหะนําไปเกิดอีกเหมือนดังยางอยู่ในพืชของมเมล็ดผลไม้นั่นเองนะ่ะเอาไปปลูกลงในดินมันยังงอกงามเจริญขึ้นอุปมานี่ให้เอาไปคิดไปตรองกันให้มันเห็นแจ้งชัด เมื่อความเกิดมันเกิดด้วยอำนาจแห่งบาปกรรมความชั่วที่ตัวทำเพราะความอยากเกินขอบเขตนั้นแหละมันก็ได้รับทุกข์ทนทรมานอย่างนี้แหละบุคคลใดเป็นผู้ที่รู้จักประมาณในความอยากความอยากอะไรมันผิดศีลผิดธรรมแล้วไม่อยากเลยอย่างนี้อา้าวไปอยากแต่ทางที่มันไม่ผิดศีลผิดธรรม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 สเสวงหาเรี่องชีพต่โดยทางที่ชอบโดยสินโดยธรรมแท้ที่จริงคนเราเนะ่ะทำบาททำกรรมอยู่ในโลกนี่พราะปากโคห้องนี่แหละพูดกันง่ายๆลองคิดดูให้ดีบันบุคคลผู้ที่ทำมาหาเรียองชีพทำนาทำสวนทำการค้าขายทำหัตถกรรมเป็นช่าง ต่างๆอยู่หมู่นั้นน่ะก็เพื่อหวังว่าจะหาเงินนะฮะทองได้มาแล้วก็จะเพื่อมาหาปัจจัยซื้อข้าวกินนั่นแหละซื้อผ้ามานุ่งมาหม่ม น, นี้นะสร้างที่อยู่ที่อาศัยให้ร่างกายนี้ได้พักผ่อนย่อนใจสบายการฝนกัร ล, ลมกันแดด การสัตว์มีพิษต่างๆแล้วก็เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมากก็จะได้เสียค่าหยุบข้ายาให้หมอเขารักษานี่ก็ลองคิดดูการแสวงหาปัจจัยสี่ก็เพื่อเอามาบำบุรร่างกายอันนี้เองเนี่ยองั้นถ้าบุคคลมาพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยง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 ผลแห่งกรรมชั่วนั้นก็คือจิตดวงนี้ไม่ใช่กายวาจามันได้ส่วยจิตดวงนี้ส่วยทุกทนทรมานคือบาปกรรมน่ะมันไปตกแต่งรูปกายของสัตว์นรกของเปรตให้ดวงจิตนี้ได้อาศัยพูดกันอย่างโง่แจ้งรูปกายสัตว์นรกมันเป็นกายอันน่าเกลียด แล้วก็มันอยู่ใต้บังคับบัญชาของบังคับบัญชาที่ท่านกล่าวไว้ในตำราว่านายนิยาบาลหลังจากคุยภาคสาสัดสินว่าผู้นี้มีบาปติดตัวควรได้รับทุกอย่างนี้ น, ะนายนิยาบาลนั่ยก็จับไปบาบนี้นะจับซัดลงนรกน่นเอาตะเกียกตะกายขึ้นมาเขาไปจับซัดลงไปอีก ตนไม่มีอิทธระเลยแม่แต่น้อยเดียวอย่างนี้นะนั่นแหละเหมือนมันก็ได้รับทุกทนทรามานเหมือนอย่างที่แต่เป็นมนุษย์ได้ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เขาเป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละแต่ผู้สเสยวิบากรรมเหล่านั้นน่ะมันยิ่งเป็นทุกข์กลัวที่ไปทําเขานั่นอีกซ้าเช่นไปฆ่าเขาตายอย่างนี้ เขาก็เป็นทุกข์แต่เวลาถูกฆ่าทีแรกเท่านั้นแหละเมื่อตายไปแล้วมันก็ไปตามกรรมถ้าเขามีบุญเขาก็ไปสู่ความสุขความสบายได้ไอ้ผู้ที่ไปฆ่าเขานั่นสิเมื world, <that> ่อเวลาบาปกรรมมันนำไปสู่นรกน่ะมันได้สูยทุกข์ทนทรมานอยู่ในนรกนานแสนนานตั้งเป็นกลับเป็นกันอ่าอย่างนี้นะ แล้วมันจะไม่ให้มันเป็นทุกข์เดือดร้อนมากมายัางไงเล่านี่แะแสดงว่าคมชั่วนี่น่ะที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ซึ่งมีในไตรโลกกวิฐานน่นนะเอาน้ำร้อนลวกไฟเผาเป็นจุนลวิจุนไปแล้วบาปกรรมไม่หมดาบาปกรรมมันก็แต่งรูปนั่นให้เกิดมาอีกให้จิตได้อาศัยอีก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 อดอยากผอมโซไม่มีอะไรจะกินกินน้าเลือดน้าเหลืองน้าเน่าของตัวเองอเพราะแต่ก่อนแต่แต่เป็นมนุษย์ไม่ได้ทําบุญกุศลคอยจะเบียดเบียนผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้นะเช่นนี้แหะมันถึงได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่อย่างนั้นเพราะตนแต่เป็นมนุษย์ไปทําผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อน เนี่พากันเข้าใจผู้ใดทํากรรมอันใดย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นเอาความฝึกผลจิตใจตรงนี้เข้าไปสิฝึกฝนใจใจตรงนี้นั่งสมาธิภาวนาสมาทานมั่นในศินเข้าไปแล้วนั่งสมาธิภาวนาตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าออกควบคุมจิตตรงนี้ให้ มันตั้งอยู่ภายในจะให้มันคิดสงสัยไปในอดีตอนาคตให้ใจมันสงบลงไปให้ได้ให้ถ้ามันคิดอยากกับคิดไปพุ่งต้านไปให้นึกถึงนรกอย่างที่ได้ฟังเทศฟังธรรมมาอ้าเตือนตนเข้าไปถ้าหากว่าคืนคิดแส่ไปในทางบาป อกูซนต่างๆอยู่เนี่ยจะไม่พ้นจากนรกนะไม่พ้นจากเปรตนะชอบทุกข์เหลือนี่เตือนตนเข้าไปอย่างนี้มันก็ตื่นตัวได้ถ้าหากว่ามันไม่หนาเกินไปเมื่อมันตื่นตัวได้มันก็หยุดคิดหยุดตึกจิตใจมันก็รวมลงเป็นหนึ่งอย่างนี้แหละแล้วก็ฝึกเข้าไปบ่อยๆทีแรกผู้ที่ฝึกหัดใหม่มันก็สงบไปชั่ว คราวชั่วระยะหนึ่งก็เอาเมื่อเราฝึกไปบ่อยๆเข้าเพ่งอยู่ไม่ถอยอดทนอดกัน้นเข้าช่วยอย่างนี้นะใจมันมีคุณธรรมเหล่านี้เข้าช่วยแล้วมันก็หนักแน่นเข้าไปเรื่อยๆต่อจากนั้นมันก็ค่อยสงบอยู่นานแบบนี้เมื่อมันรวมลงได้แล้วนะเมื่มันละอารมณ์ภายนอกได้แล้วมันก็สงบอยู่นาน สติกะบะขับประคองจิตนั่นให้มันสงบอยู่นานเท่าที่มันจะนานได้นี่แหละฝึกไปบ่อยๆเข้าจิตมันก็หนักแน่นเข้าไปสงบเข้าไปทีนี้ก็สมควรที่จ ะ, จะเจริญปัญญาได้แล้วพอจเจริญปัญญากำหนดพิจารณาเรื่องบาปบุญคุณโทษดังที่แสดงมาแล้ววนั้นให้มาเห็นแจ้งในใจ ว่ามีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงคุณโทษมีจริงโลกนี้โลกหน้ามีจริงอย่างนี้นะพระนิพพานมีจริงข้อปฏิบัติที่จะดําเนินไปสู่สวรรค์สู่พระนิพพานพ้นจากนรกอภายภูมินั่นก็มีอยู่ได้แก่ทานสินภาวนาหรือศินสมาธิปัญญาดังที่กล่าวมาแล้วนั่นนี่ ภาวนาเมื่อปัญญาเกิดแล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนอย่างนี้เมื่อมันเห็นด้วยปัญญานี่มันก็ละบาปได้เด็ดขาดลงไปเมื่อมันละบาปได้บาป ไ, าปไม่มีอยู่ในจิตใจใจก็เบิกบานผ่องใสอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นการละบาปการบาเพ็ญ บ, บุญกุศลมันไปด้วยกันแหละ ถ้าบาประงับไปบุญก็เกิดขึ้นมาจิตใจผ่องใสปัญญาก็ย่อมเจริญงอกงามขึ้นมองเห็นบาปก็ละบาปได้จริงจริงมองเห็นบุญก็ทาบุญกุศลให้เจริญงอกงามขึ้นไปจนถึงโลกุตละกุศลอันเป็นกุศลที่จะนำดวงจิตในพ้นจาก โลกสงสารอันนี้ได้โดยแน่นอน